แล้วมันก็ทุกใหม่มีความทุกข์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเรานะเราต้องแก้ไขตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอันนี้สมมุติมีสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นความสงสัยเนี่ยและต้องหาคําตอบอันนี้เราก็ต้องแก้ตั้งแต่เกิดจนตายนะเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราล้องให้จะมันมีความสงสัยติดตัวมาแล้วานั้นเป็นทุกข์มาแล้วล่ะแล้วลต่อไปเราก็จะมีแต่คําถามคําถามตอนพูดไม่ได้ถามใครไม่ได้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 นรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่จะเกิดหรือไม่นี่จะเป็นคำถามพระกุญเจอยู่เรื่อยๆเพื่อจะหาคำตอบผลสุดท้ายก่อนเราจะตายไปเนี่ยมันก็ยังมีคำถามสุดท้ายก็ว่าตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนเราสงสัยแล้วก็หาคำตอบตั้งแต่เกิดจนตายความสงสัยนี่ก็คือความทุกข์นะเรามีอาชีพดับทุกข์ทั้งทางกายและก็จิตใจ ตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่เราแสวงหาอาชีพเช่นอาชีพที่สุจริตถูกกฎหมายถูกศีลธรรมก็เพื่อการดับทุกข์หรืออาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันนี้ก็เพื่อความดับทุกข์เพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมาหาซื้อปัจจัยสีเพื่อดับทุกข์ให้กับกายและใจเราเรามักจะเข้าใจผิดว่า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 บางทีมีเงินมีทองมากทุกมากกว่ามีมีความกังวลมากกว่ามีเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา น, นั้นเราก็ยังแก่แล้วก็ยังเก็บแล้วก็ยังตายเงินช่วยเราไม่แก่ไม่ได้แม้จะฉะลอความแก่ด้วยเงินทองก็ได้แค่ชั่วคราวแต่วความจริงคือความแก่ก็ต้องปรากฏขึ้นที่ตัวเราเมื่อเวลาเราจุดใกได้ป่วยเงินทองอาจจะช่วยได้บ้าง แต่ว่าโรคภยัยแค่เจ็บบางโรคเนึ่งมีเงินมีทองก็รักษาไม่หายโดยเพราะความตายเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ซื้อความตายไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสไปอะไรก็ตามเราก็ยังดับทุกได้ไม่ตลอดแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้เพราะเราอย่าไปให้ความสําคัญมากนะทรัพย์สินเงินทองเ้วก็สแสวงหาจนลืมตัวเราลืมกายลืมใจเราเงินทอง